บุกทูสามสิบที่ร้านอาหารสองวูรีสตวรสตอรันดว่าขอน้ำแอปเปิลครับ เอ็ดเนส้อดิอบัลโกมลอดเอดิาบัลโมูลำขอน้ำมานาวครับเอดนาลิมอนาดามลำอดนาลมนาดมูลขอน้ำมะเขือเทศครับเอ็ดเนส้อดดมัตติมลอดเดนสดดมัติมูล ผมขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับยสบิสักล่าไอดนาช้าซีร์เวนอวผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครับยสบิส a a ักล่าไอดนาช้าเบโลวิโน ผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับยสบิสา ก, กััสบิคุณชอบปลาไหมครับซคริซคุณชอบเนื้อวัวไหมครับ สักชิ้ลิกูเวตส์คเมโคุณชอบเนื้อมูไมครับสักชิ li ิส้ว s น o meso ผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ยั s บิสักล์เนสโตเบสมเอสโซยัสบิสักลาเน to ผมต้องการผักรวมหนึ่งชุด so so ผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทําไม่นาน ย с สบ сакала нешто што н น трае долго. к คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมครับกสักเตลีโอวาโซออริสกสักเตลีโอวาโซออริสคุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับกสักเตลีอวาโซต คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับสรสชาติไม่อร่อยอาหารเย็นชืด ยาเดน е ย์ е ตเอสตูเผมไม่ได้สั่งจานนี้ยาส ОВА НЕГО ก а р ร ч а в ์ยาสอวาเนโกน а ร а ชกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e